อ่าอัญโยมวันนี้ก็ไม่ต้องรับสินแล้วไม่ต้องอะไรเพราะจะมาอยู่กับโยมได้ไม่เกินสามสิบนาทีเพราะมาก็ต้องไปต่อเพราะสื่อสารนี่ก็ออกก็จะต้องมีเวลาเขาจัดเวลาปุ๊บหนึ่งนาทีสองนาทีมีค่าที่ตุดใช่ไหมอก็เลยอยู่กับโยมก็เลยต้องเอาแบบไวเลยนะเอาแบบไวเลยนะไม่ต้องช้าอ่าเหมือนพุทธเจ้าลอยถาดในน้ําอ่ท่านลอยถานในน้ำ ปุ๊บฮะเราลอยทานอวัดวัดวัดอรุณใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ถึงเอาไทยแลยว้วน้ําอะไรเร็วจู่ไปถึงเอาไทยถึงเอาไทยก็โล่งเลยนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยโล่งเลยตอนนี้โล่งแล้วสบายแลยว้วไม่ไม่เกกียดหน้านเอาทางงันโยมทานเลยนะนะอาทานเลยเดี๋ยวโยมก็เปิดอันนี้เนาะนานําทานนิดนึงก่อนเอาทานให้หมดเลยโยมเอาหมดเถอะห้องน้าบ้านยเยอะแยะ เพื่อเราเอาจับให้ได้เพื่อเราได้จับให้ได้ถ้าเรากินเร็วมันจะเราต้องการแค่จับความเย็นสุดท้ายว่ามันลงถึงไหนแล้วถ้ากินเยอะมันไวถ้ากินช้าละล า, ลายอยู่แค่ปากแค่หน้าอกละลายหมดแล้วความเย็นถึงท้องไม่ถึงฮนะมันไม่ถึงเลยเราต้องการให้โยมว่าจะติองโยมลงถึงกระเพาะได้เมื่อไหอไร่ให้มันถึงเลยตามนั้นเลยคนระ นี่ตามไม่ถึงเลยเกำหน ด, ดไปกำหน ด, ดไปเลยนะเอาเปิดเปิดเทียงหน่อยเพื่อตามน้ำหน่อยนะอดูเทียงเพลงเ็าห้ยกำหน ด, ดยืนการยังไงและตั้งสตินำไปเลยยังไงนะอา้าวตอนนี้ก็เปิดแล้วน ะ, ะกำหน ด, ดจิตตามเลยนะี่ยอมนะดูตามความเย็นเลยนะ ความเย็นลงถึงไหนใจสติเราถึงนั้นเลยนะ เรา y yeah. e สติของเราก็ยืนกลางไว้ยืนกลางตรงให้มันถึงท้องเราถ้าถึงท้องเขาเรียกสถานปราบมานทมัมถึงปราบมานเพราะว่ามานไม่มีมันไปไม่ถึงแต่ว่าเราต้องยืนกลางไว้ความเย็นหยุดตรงไหนยืนกลางตรงนั้นไว้เพราะเราเปลี่ยนฐานเราเอาน้ำมาเป็นฐานฐานที่ตั้งของจิต ตอนนี้เรายืนกาวไวปุ๊บเขาเรียกว่าเห็นจิตตัวจิตตนก็เห็นปูหรู้เห็นความรู้สึกเย็นๆนะ่ะเหมือนตามองเห็นมันชัดเจนเหมือนตามองเห็นเลยเราก็เลยมีสองตาตานอกกับตาในาตาในาตอนนี้เราเห็นแต่ความรู้สึกเย็นๆนะ่ะตานอกเราไม่ได้ใช้แล้ว แม้แต่หูตูมโบอะไรเราก็ไม่ได้ใช้เราหาจับผู้รู้จิตจิตของเราจริงๆคือผู้รู้ไม่ใช่อยู่ที่หน้าอกไม่ใช่อยู่หัวใจจิตเก่าก็คือจอมโนมโนนึกนะสตินี่แหละที่มันไปโน้นไปนี้เราจําเป็นต้องเอาน้ํานะด้วยบายเอาน้ําเย็นความเย็นนํำพาไปตอนนี้เราก็โนนึกดำเรื่อยๆไป ต้นน้ำตรงไหนใจเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ยามเย็นก็รานไว้เย็นมากเย็นน้อยก็ จ, จับเพราะเราภาวนาน้ำเย็นมันจับได้แต่ยังอื่นมันจับไม่ได้เลยมันหลุดพอจับน้ำเย็นแล้วยังหลุดแต่ความจริงไม่หลุดนะถพาน้ำยังอยู่ฮะสติเราไม่ยอมไปอยู่ด้วยเราก็เลยว่าสติเราหลุดสติเราหลุดทั้งๆน้ำยังเย็นอยู่ แต่สติไม่อยอมตามไปถ้าเราไม่ตามไปมันจะอยู่ได้คนระับมันก็อยู่ไม่ได้หมายความไม่จิตเราเนะี่ยไม่ชอบอยู่ในสมาธิชอบออกไปข้างนอกนชอบไปข้างนอกมากกว่าจะอยู่ในกสมาธิเพราะฉะน้นเอาใบน้ำเย็นเนี่ยอย่างน้อยจะติโยมไปไหนก็แล้วแต่แต่ความเย็นจะไม่ไปไหนยังอยู่ถ้าสติโยมจะไปนน่นไปนี่ไปได้แต่น้ํำมันจะไม่ไปน้ําที่ให้เขียนไปยังอยู่ อะไรที่อยู่เราดูต้องดูตรงนั้นเราต้องดูที่อยู่ไอ้ที่ไปไม่ต้องไปดูไอ้ที่หยุดอยนะู่น่ะความรู้สึกหยุดอยู่ตรงนั้นต้องไปดูตรง น, นั้นหลวงปู่ดูลย้เขาบอกว่า <S <S ให้ดูที่ใจ <S <S ให้ดูที่ใจหลวงตมามาโห้ดูที่ใจดูที่ใจก็ดูผู้รู้ผู้รู้อยู่ตรงกลาเนี่ยนะก็อยู่ใจเราใจเราคือผู้ผผทุก า, ร, ารู้ตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ตรง น, นี้เรื่อยๆไป ดูไปเรื่อยๆพยายามบ่มไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆอ่าเติมไปเติมไปน้ําเติมไปแล้วสติต้องเติมไปด้วยสติต้องเติมให้ชัดเจนถ้าเราจับแล้วดูความเย็นบางคนตึงกระเพาะน้อยบางคนตึงกระเพาะน้อยเลยบางคนเหมือนมันจะหลุดจะกลายไปก็ไม่เป็นไรหลุดก็หลุดไปบางคนก็วิ่งตามแขนตามขา ทางน้ําเย็นอ่มันวิ่งไปวิ่งไ ป, ง ไ, ปไหนก็วิ่งไปเถอะแต่ท้ายปลายน้ําก็มาอยู่ที่เก่าอ่าอยู่ที่ไหนอ่ะปลายน้ําถึงไหนใจเราถึงนั้นหน้าใจเราถึงนั้นทำไมต้องเอาน้ำามาพระธรรมานี้ธรรมาเอาที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานจิตท่านอธิษฐานจิตแล้วมันลูกเป็นพุทธเจ้ามาสอนโยม พระพุทธเจ้าท่านอธิษฐานลอยฐานในน้ําท่านอธิษฐานดูว่าถ้าฐานมันลอยไปในตัวน้ําได้หมายความว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าฐานมันก็ไปไหนะน้ําถึงไหนฐานก็ถึงนั้นฐานของเราก็มีอยู่แล้วฐานก็คือสติแค่ความไป็ลึกรู้เย็นๆนั่นแหละนั่นคือฐานที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานแล้วบรรลุทำได้แล้วก็เห็นผู้รู้เลย พู้รู้ผู้เตือผู้เปิดบานมันอยู่ตรงนั้นแล้วกันดูอยู่นั่นอ่ะทังอยู่นั้นมีอะไรไม่มีโยมนะไม่มีฮะคิดจริงๆ จ, จะไม่มีกายในโหนนะไงคิดจริงๆไม่มีกายถ้าจะคิจริงๆจะกิเลสก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็ไม่มีหรอกเราดูที่จิตอย่างเดียวดูที่จิตอย่างเดียวนงะเนี่ยเทวตามา ที่บวชแล้วก็าภาวนาก็ไปเห็นจิตตรงนี้ตอนนี้โยมมาให้ตมาเห็นแต่โยมไม่เห็นตมาก็พาโยมไปดูนี่ถามว่าไปเห็นเหมือนตมาไหมไม่เหมือ น, นเลยฮะอ ต, ตมารู้สึกยังไงโยมก็รู้สึกอย่างนั้นไม่แตกต่างกันเลยฮะผู้รู้โยมผู้ ร, รู้มตมาก็ไม่แตกต่างกันเลยแต่ผู้รู้ของเราตรงนั้นมันปรุงแต่งไม่ได้เพราะตัวรู้ตรงนั้นไม่มีกาย พิจารณาอะไรไม่ได้เพราะความเย็นนี่มันอยู่ในลาใําไส้แต่ทําไมไม่เห็นลําไส้ล่ะลําไส้เรามีของเยอะแต่ทําไมไม่เห็นเราพิจารณาให้เห็นมันก็ไม่เห็นหร อ, อ, อกจิตจริงๆจะไม่มีกายโยมโยมปุโรหิตนั่บอกว่าถ้าเห็นจิตกายก็จะหายแต่เห็นจิตกายหายนะนนทุนากิเลสมันอยู่ที่กาย ถ้าเราเห็นจิตกายหายกิเลสก็หายด้วยหลวงปู่ดูลย์อกถ้าเห็นจิตกิเลสก็หายถ้าเห็นจิตไม่แต่าการเกิดอีกก็ยังหายหายเลยทำไมมันหายอ่ะเพราะมันเกิดไม่ได้เพราะจิตตรงนั้นมันไม่ ม, ม, ม, ม, มีธีเกิดมันไม่มีที่เกิดตัวโยมไปดูตรงนั้นมันตัวได้ไหมอละปลุกตั้งได้ไหมจิตตรงนั้นมันปลูกไม่ได้ถ้าเอาน้ําเป็นฐาน มันปรุงไม่ได้แต่ถ้าเอาอยัางอื่นมาเป็นฐานก็จะปรุงได้ดังนั้นจิตตรงไหนไม่เกิดเราก็ไปอยู่ตรงนั้นจิตตรงไหนมันพาเกิดก็อยู่ไอยู่กับมันถ้ามันจะ เ, เกิดรับรองเป็นทุกข์นมะเพราะการเกิดแก่เจ็บตายมันทุกข์มากขันธตามาเป็นปาราถิถุี่จุดแต่ไม่คยมีคนสอนไปหาจิตส่วนมากก็จะก้อนไปหาขันธ์ ถอนปัญหากิเลสตัณหาเนี่ยทั้งหมดเราลงไปดูนพูตรตรงๆเขบอกว่าถ้าเราจะฆ่ากิเลสเมื่อไรกิเลสก็จะฆ่าเราถ้าเราไม่อยากฆ่ามันมันก็ไม่ฆ่าเราการต่อจู้กิเลสต่อยิ่งยิ่ ง, งต่อจู้เท่าไรเราก็เป็นทาสของมันตลอดเมื่มันมีความโกรธโกรธเท่าไร่มันไม่จบโยมมันจะจบได้ตอนเลิกโกรธเาะฉะนั้นน้ำเย็นเนี้ยคนเราต้องจิตเย็นแล้ว จิตเราอยู่น้ำเย็นแล้วมันจะโกรธคนได้เหรอมันโกรธไม่ได้โยมนะก็ยอมดูในความเย็นๆนะมันเห็นไม่ขี้ของเรารำไรเราเห็นไหมถ้าดูเองก็ได้เนี่ยเราก็สัมผัสอยู่แล้วอ่ะมันต้องถึงท้องในโยมนะงามลงถึงท้องเลยถ้าเกิดรลงไม่ถึงท้องนยมก็นึกไปดูตรงท้องเลยเดี๋ยวมันลงไปเองเพรเราเกิดที่ท้องเราเกิดที่ท้อง เราก็เกิดจากน้ำด้วยเราก็ก ด, ด, ดูกรจิตรดวงใ้ของเรานะ่ะมาจากน้าเย็นมาจากน้ำเย็ น, าา น, ยนแล้วถ้มีน้ำโดนจ น, นเกิดขึ้นแล้วก็มีวิญญาณไปเกาะมาเป็นลูกหลาเราตอนนี้เกิดไม่เกิ ด, ม, กดมันอยู่ที่เดียวกันคู่กันเลยหนะุ่เ อ, อน้ำมนกันจะยู่อย่มนกันอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่ก็ไม่เกิดไม่เกิดตอนนี้ไอ้น้ำจะไม่เกิดก็หนุ่มะ่ มันเป็ น, นได้ไปไนะน้ำเกิดจะน้นไม่เกิดเป็นไงก็โยมลองดูความเย็นตรงนี้โยมลองพรุงต่งไปยังองื่นไะด้ไหะแล้วโกรธคนได้ไหมเราดูต่อใต้ใจพรุงตัวเองไ้หมถ้านะดูไม่ได้ไม่เห็นเลยโกรธคนก็ไม่ได้เลยนั่นก็าเรียกไม่เกิดคิดตรงไหนไม่โกรธไม่เกลียดมไม่โลภไม่หลงนั่นเขาเรียกคิดไม่เกิดคิดตรงไหนมีความโลภความโกรธความหลง เัร น, นั้นจิตเกิดเพานจิตเกิดตั้งทุกข์พอเราเกิดมาก็เป็นภาระาที่ตุนแล้วตุกมากล้วก็ไปหาจิตตรงที่ไม่เกิดไอ้จิตตัวนี้ความจริงไม่ต้องบรรลุธรรมเท่านัไม่เกิดก็พอแล้วอยู่บางคนบรรลุธรรมก็ยังเกิดนะในจิตตรงนี้ก็ทำเรื่องการสมาธิเนียบตรงนี้มันไป็นคนที่เลือกเอาเองก็กลัวมันเป็นถึงในตัว เขาเียสมาธิสิงห์แล้วกันทำไมเป็นสิงเพราะจิตมันอยู่ตรงนั้นมันโกรธคนไม่ได้มันด่าคนไม่ได้ก็เรื่องนั่นแหละสมาธิถ้ามีสมาธิก็จะมีศิงแต่ถ้าเราขาดสิงห์ไม่มีสมาธิยังไง ก, ก็ไม่ได้ก็งงก็รักษามาแลว้วถ้าจิตงงมีสมาธิปั๊บพ้าสมาธิมันหนาเรื่องคนไม่ได้มันโกรธคนไม่ได้โลคคนไม่ได้ปิจาริสยาคนไม่ได้เพราะสมาธิมันสงบ มันเราก็ดูว่าผู้รู้ของเราเย็นเย็นเ น, นี่ยดูด้วยว่าปรุงแต่งเลยไหมถ้าปรุงแต่งไม่ได้ก็ใช้เลยถ้าไม่เห็นตัวเองน่ะถ้าเห็นร่างกายเจ้าของ น, นั่นน่ะจิตแท้หลวงปู่ดูลบอกเห็นจิตกายหายก็เยิ่มดูว่าถ้ากายเมีมอ่ะถ้ายน็นเย็นมีกายไหมถ้ากายไม่มีหลวงปรุดบอกนั่นของจริงถ้าจิตจริงจะไม่มีกายถ้ามีกายจะเป็นของปลอมถ้ว่างั้น ทำไมพึ่งของปลอมมันต้องบอกว่ามันเป็นะมวิญญาณวิญญาณไปหาเกิดเดี๋ยวก็เตื่นเดียวก็ดับเด้๋ยวก็เกิดเด้๋ยวก็ดับเคเกิดมันระบบของปลอมจะของจริงไม่เนี่ยมันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงของจริงของจริงจะอยู่อมตะเหมือนความว่างให้จิตเราอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆบ่มประเด็นชัดเจนเนี่ยเราปล่อยตรงที่เลยเราจะไปจะไปกังวลยังไปกังวลบางคนไปกังวลว่า จะทําเหมือนลงไปเยี่นได้ไงอ่ะลงไปเยี่นจะมีวาจนาบางคนว่ามีวาทนาภาวนาเป้อเดียวก็รู้โยมก็มีวาทนาเหมือนกันทุกคนไม่มีวาทนาจะมานั่งตรงนี้ยเอาแล้กรปตานำเป้ดเดียวให้ดูเหมือนลงไปเยี่นนัได้ั้มได้ก็โยมแต่ท่านโยมรู้เลยจังไงก็โยมรู้อยู่ตรงนั้นแล้วต่อไหนรู้อ่ะตัณมารู้ยังไงโยมก็รู้อย่างนั้นผระพุทธเจ้ารู้ยังไงพวกเราก็รู้อย่างนั้น อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีวาฒนายกาไปตามหลวงไปเยื่ยนเลยหลวงไปเยี่ย น, ยยนตั้งดุนเยอะเพรเราไม่มีวาฒนาดูที่คิดได้ยังไงถ้าเราไม่อมีดุนวัฒนาพเจ้ารณาให้ข้าบริสัทธหรอตน้ง ต, ต่ตัวบริสัทธ์ดูรู้ตัวตั้งแต่ตัวเองไม่มีวาฒนาไมมีวาฒนาสูงส่งที่สุดแล้วแต่ตัวเองไม่ดูไม่ไปดูถึงที่มีวาฒนามาพาวนาไปเอาที่ไม่มีวัฒนา น้าพอเอาภาวนาเขาหาความเออความไม่พร้อมบุญน้อยวานาน้อยคิดได้ยังไงนันโยมเคยเห็นวาตนาบอกนันโยมเคเห็นบุญบอกโยมก็ไม่เคยเห็นตั้งสติอยู่กับผู้รู้ะมันจะเป็นบุญในตัวเองถ้าตั้งสตเราอยู่ตรงนี้เขยกว่าตั้งสติที่มีบุญบุญอะไรเพราะมันหาเรื่องคนไม่ได้เออบุญอะไรก็บุญที่มันมาเกิด มันไม่เกิดต่อไปอีกไม่ได้ก็เรื่องนั้นเรียกบุญไม่ใช่บุญแล้พาไปเกิดาไปเกิดพบนู้นนั่นนั้นนายเงินคนยังนี้รวยสร้างสร้างไหญ่โตโมราณเพื่อต่อไปบารมีไม่ต้องโยมนะอาตมาบอกอาตมาสร้างสมาธิดีกว่าสร้างบุญกับสมาที่เลยสตินี่แหละทําเลยไม่ต้องใช้เงินไอ้ทีเงินเหลือแล้วอาจะมาไปซื้อปูนไอ้นั่นก็เรียกว่า ก็เลือกบริจาคส่งเคราะห์สง่สงเคระ์ช่วยเหลือการทำบันไปยทำได้มากได้น้อยก็แล้วแต่โยมมีเงินมากก็ทํามากมีเงินน้อยก็ทำน้อยแต่ว่าบุญจริงๆเมันจอยู่ที่สมาธิเท่านี่แลงงหละมันโยมไม่ดูอัองเงนเดี๋ยวพอโยมทําบุญอะมันมีความสัมผัสเย็นเหมือนธรรมาพาไปภัยอ่ะอบางคนหมดเป็นร้านาเนี่ไม่เย็นเลยหมดเป็นร้านจิตยังพุ่งซ่านอยู่ แต่เจอน้ําเย็นมาจับได้เลยเอ๊ะจิตเรายอยู่ตรงนี้เองจิตเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเราอุตส่าหวิ่งหน้าต่อโจมาอะไรหน้าอะไรก็ไม่ได้สิวันนี้ได้แล้วได้แล้วเลยนี่ก็ดูว่าดูอ่ะตรงไหนนะแตนน่เร้ดูทิตเราถ้าเกิดว่าจิตเราโยนดินอยู่เนี่ยถามมาถ้าตายไปอ่ะถ้าจิตเรายอยู่ตรง น, นี้จะเกิดอย่างไร เรื่องถามเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะถามดูว่าตรงนี้จะเกิดไหมถามมันต้องเกิดเกิดเพื่ออะไรเห็นไม่กระดูเลยเห็นไหมลำไส้เห็นไห ม, หไหมไ marinade, ถ้าลำไส้เห็นคือเกิดถ้าเห็นกระดูกือเกิดเรตะพึงใจยังยิงก็เกิดตะพึงตจไม่ได้ไมันหยุดเถื่อมันบางเถื่เลยไมยเอาอะไรเลยเรื่องแความว่างนั่นก็เลื่องไม่เกิดตรงนั้นก็เรื่องไม่เกิดพงว่างหมดแล้วเยแต่ยังจับอยู่มันเกิด เนี่ยดูดูดูนั่งอ่ะดูเรื่อยตรงนั้นไม่เกิดก็อยู่ตรงนั้นมันง่ายยมนั่งถ้าเราได้กันนี้เราจะดูจะนั่งภาวนาไม่นั่งภาวนานึกบ่อยๆงั้นเราไปทานกาแฟก็ไปทานกาแฟกับสมาธิไปทานกาแฟสมาธิไงเออเลิกงานแล้วก็นึกไปนึกก็ไปทานกับสมาธิดีกว่าการลดจิตลงไปสู่ผู้ความว่างเย็นๆเนี่ยแต่ความเย็นนั่งสมานี่ง่ายโยมนึกปั๊บเจอปุ๊บนึกปั๊บเจอปุ๊บนึกปั๊บเจอป๊บ บางคนนั้นลึกไปไม่เห็นไม่เห็นได้ยังไงก็ไม่ได้เคเห็นนะกาอนนึน้ําอยู่ในทองเพราะทุกคนใจน้ํากันหมดก็ขาดน้ําก็ไม่ได้น่ะวิธีอันนี้ก็เป็นวิธีที่ธรตมาเอาวิธีของพุทธเจ้ามาเนี่ยเพราะพุทธเจ้าอาธิษฐานธรรมาก็เป็นธรรมะที่ท่านในความรู้น้อยธรรมาก็เอาตรงที่ว่ทาทำยังไงที่พุทธเจ้าตัดรู้ตัดรูปแบบไหนและอธิษฐานอะไรเอาลอยลอยถาดในน้ํา และถาด น, นั้นคือสติน้ำคือน้ำที่ปล่อยความสติเราปล่อยติตามน้ำไปเลยเนี่ยท้ตายถาดก็ไปลงไปลงอยู่ในถ้ำท่านนี่นเองลงถ้ำนั้นอะ่ะพระพุทธเจ้ า, ท, าทุกองค์ก็จ้องจ้องลงตรงนั้นลงตรงนั้นถ้ำนั้นอยู่ตรงไหนตรงกระเพาะเราไม่ตรงกระเพาะเราเลยไม่เจ้อยู่ที่อื่นเราบางคนก็ไปฟังโน้นพระท่านพูดอะไรก็ไม่รู้ท่านก็ะยันพูดจริงๆเพราะท่านเห็น อ้าท่านเห็นเนี่เหมือนธรรมาเห็นจิตตรรมาก็สอนไปหาจิตถ้าธรรมาเห็นกิเลสตรรมาก็จะสอนไปหากิเลสถ้าธรรมะเห็นความโลภกดลงธรรมา ก, ก็สอนไปอย่างนั้นแ่ะแต่ตอนนี้ตอนภาวน า, นานเราไม่เห็นาพอภาวนาปุ๊บเราไปเจอตรงความเย็นสุดท้ายความเย็นสุดท้ายอยู่ตรงนั้นน่ะเหลือแต่ความว่างนั่นเองจิตเราก็อยู่ตรงแต่นั้นจนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นเปลีป่ยนแปลง เ, เลยฮนะเมตตาธรรมาที่ตามาไม่ต้องเข้า สมาธิมันอยู่ตลอดไม่ต้องเข้าต้องออกถ้าเข้าออกนี่ยังไม่ใจด้วยจะเป็นสมาธิก็ได้สมาธิตั้งชื่อสองอย่างสมาธิสังขารมันมีการเข้าการออกเพราะมันเยอะแต่สมาธิุทแต่สมาธิปัญนาสมาธินี่มันเรียกความว่างดังนั้นเลกมันเกิดเพราะเราเอาสังขารมามาภาวนามันก็ต้องเกิดแน่นอนไม่ทิ้มตุก วิญญาณไปโก้พบนุ่มต่างๆนั้นนะก็มาจากการเกิดนี่แหละดังนั้นพระเจ้าจึงบอกที่ไม่เกิดมันอยู่ตรงไหนท่านกะโหลดท่านอกท่านสอนท่านเร็วรู้แล้วว่าไม่เกิดต้องอยู่ตรงนี้ท่านยังมีคำหนึ่งท่านมาอ่านไม่ชัดเจนก็บอกพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากใครอยากเห็นพระเจ้าไหม <c oughs> ถ้าอยากเห็นพระเจ้าโอกันได้กโกน้องก็มาที่น้องก็มาข้างในการน้อมน้อมยากน้ําเย็นป๊อ ข้างในเห็นพระเจ้าอะไรพระเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บูกบานถ้าเราอยากอยู่ก็พระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นเลยผู้รู้ผู้ตื่นผู้ตื่นผู้บูกบานํามว่อยู่ตรงนี้อยู่ได้ไหมถ้าเราอยู่ข้างนอกได้ก็อยู่ข้างไหนก็ได้ก็ตั้มาก็อยู่ตรงใจบวชมาก็ไม่เห็นไปไหนอตั้งมาก็อยู่ตลอดไม่ว่าทำกงทํางานก็ทําไปเวิ่งไปก็วิ่งก็วิ่งไปแต่ใจก็อยู่ที่เก่าตลอดมันจะเป็นไหน ถ้าไปจะหยุดก็ไปไม่ได้ก็อยู่นี่แหละเพราะมันอยู่ตรงนี้มันไม่เกิดก็จะไหมถ้าเราไม่อยากเกิดก็อยู่ที่ไม่เกิดแต่ถ้าเราอยากเกิดก็ไปอยู่ที่ไม่เกิดที่เราเกิดไปพราฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี้เขาเรียกลกยึดสิบีไล่เนี่ยลบสิบีไล่นะเนี้ยก็เป็นทินทินผู้มีธรรมเนนิยมนะทินผู้มีธรรมนะ เออยุคของพระเจ้าอ่อของพระบรมพระเจ้า เ, เออต้องได้พระบาทแก้ยุ่งอะรกิการที่ถิ่นเนี่ยยุติชีวิไตรแล้วก็เป็นทินของผู้มีธรรมแล้วผู้มีธรรมอยู่ที่ไหนอ่ะก็เลือกทินอริยะด้วยเหรอทมาฯก็ไม่ได้อ่านหมดหรอกตอนนี้อริยะทมาฯก็ไม่บอกอิออริยะมันอยู่ที่ไหนอ่ะทําไมเด็กก่อนมันก็ทินกาขาวเนาะแต่ของพระเจ้าอ่อของ เวลาท่านอยเรื่องขอกฎปะุบันเป็นทินเป็นแดนสีวิไลเ่าะเป็นแดนสีวิไลรินผู้รู้ผู้ตื่ผู้เบิกานถ้าผู้เก่ผู้รู้ผู้ตื่ก็อารยาก็คือพวกเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยใครมีสมาธิคนนั้นก็เป็นอารยแล้วทำระไรยากไรเพราะถึงปุพุติเจ้าอนาะอารยะคือผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีสมาธิงั้นเขาเรียกอารยะอริยะไม่ใช่บรรลุป็นพนะอรหันนะอารยะคือผู้เดินรอยตามพระพุทธเจ้าเดินรอยตามพระุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าบรรลุธรรนยังไงเดินตามของท่านไปเพื่อเราจะรู้ธรรมตามท่านไปแต่นนั้พวกเราก็ดูอยู่ตรงเนี้ยใครอยากไป น, นู่นไปนี่ต่า ง, งนานะไม่ต้องบางคนก็บอกว่าเ อ, อ เราจะอธิษฐานต่วเป็นพระลูกน้องพระอริยะเมตไตรยอยู่จะเพิ่งเลยฮะอีกนานฮะอันนี้เลสองพันกปีที่เรายอยู่นี้เป็นของพุทเจ้าหมดไม่ใช่เป็นของใครของพุทเจ้าจะไปช้าไปเร็วก็อยู่ที่ความสามารถเราเพราตอนนั้นเราอาจรมายังถามว่าเรื่พระอริยเมตไตรพุทธะถายยังไงผมไม่รู้แล้วไม่รู้มาคิดทำไมเราไปทายยามเมตไตรสมองไม่รู้แล้วไม่รู้จะอธิษฐาน เป็นบริบาลพระยะไม่อไห่ได้งไงทุกวันนี้เราเกิดมาเนะี่ยเป็นของพระเจ้าแล้วพระเจ้ารับเราตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอะ่ะรับเข้าบวชจัดทำไมท่านเมืตอวานรับท่านไม่เคยเห็นหน้าเราทําไมตรับท่านรับบุคคลสองเพศก็นจะไหเพศหญิงกับเพศชายถ้าบวชก็เพศพระกับเพศชีบุกคลสองเพศนะั่นแ่ะท่านรับเรียบร้อยไปแล้วเป็นพุทธบริจักรของท่าน แล้วถ้าคนสองเพศอยู่ที่ไหนก็นั่นน่ะเป็รู้สิทธิ์ผู้เจ้าหมดบอกบางคนบอกฉันไม่เป็นแล้วมีเป็นถ้าไม่เป็นมันก็ต้องสีเพศเออันนี้สองเพศมันต้องเป็นเอาสันตินจุนาหรือถเอาที่คิดจะมีสีเพศแต่ถึงจะไม่เป็นถ้าสองเพศโดนแน่นอนทิ้งแต่ความคิดคุณออกมาไม่เอาตามผู้เจ้าไม่มีปัญหาถ้าคุณมีสี่เพศอะไรพู้เจ้าไม่รับสามเพศก็ไม่รับ ต่อแล้วเป็นมีเพศหญิงเพศชายรับส่านรับเราท่านใจยังไม่ถือศาสนาอิสลามก็ไม่ถือศาสนาคริสต์เลยไม่ถือศาสนาดูรับก่อนแล้วสองพันกว่าปีอ่ะเราถามว่าที่คุณถือศาสนาคริสต์อัยพีมอัชาติก่อนคุณไปอยู่ที่ไหนอ่ะถ้กระถามก็ไม่รู้อีกนั่นหลักบูมพุทธพุทธเจ้เานี่นะของเราเน่ยกลมที่แล้วโยมเราก็ควรจะภาคภูมิใจเจ้าของจะไปบอกว่ามีตีเทียนตัวเอง ว่าบุญน้อยว่าภาวนานะน้อยไม่มีเวลาภาวนาะก็เวลากินข้าวมีก็มีเวลาภาวนาะไม่ได้เวลาภาวนะาดังนั้นธรรมะถึงบอกว่าต้องพยายามกันหน่อย เ, อเติมให้เตมเต็มเลยที่ของเราเต็มที่เลยบ่มไปเลยไม่ต้องวกแวกไปที่อื่นนะเมื่จะอยากเกิดก็ไปได้ก็ไม่ขัดใจแต่อยากเกิดก็ไปน่นไปโกรธคนนะถ้าอยากเกิกกดนนะ ก, ก, ก็ไปด่าคนนะ รู้ไปอยากเกิดก็เป็ตอนนี้นะเอถ้าคนใจโน้มอยากเกิดหลวงต้องมีคดีความนะถ้าอยากเกิดต้องมีคดีความนะคดีความกอะไรคดีความกับความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาเนี่ยต้องมีคดีความหละอันนี้คดีความก็ต้องขึ้นศาลแช่ทำไมอยากขึ้นศาลก็ไปหาพุทธเจ้าที่ไปหาพุทธเจ้าไม่ต้องขึ้นศาลแล้วก็ไม่มีไม่มีโทษ ไม่มีคดีไม่มีความเลยเอแต่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะมีโทษทันทีเลยกี่กุกจิตกลางก็เพราะอะไรก็ไปอยู่ด้วการเกิดนี่แหละเอเกิดไอะไรเกิดความโกรธโกรธหลงทั้งหมดนี่แหละเนี่ยตัวนี้แน่นอนน่ะเกิดตายมากก็ไม่เหมืนอนต่างๆนานาดังนั้นเลยไปดูจิตเราเลยมักน้อยเส้ดนดูอย่างธรรมาธรรมะบางคนหลวงพ่อพึ่งมาบอกว่าอายการเรียนมีบุญวัฒนาเยอะไหมใช้ ผมไมได้มีบุญนอบุญผู้มีบุญน่าดำอย่างนี้เหรอตัวดำๆอ่ะผู้มีบุญก็ต้องขาวจ้วงเออเดินน่ะพ่องเพ่หนุนคนมีบุญอันนี้ดำอะไรกลางคืนนี่ยิ่งต้องส่องอย่างเด่นตะฟันแล้วคนมีบุญแบบนี้เหรอคนมีบุญเนีพวกท่านทั้งหลายนี่แหละมีบุญเยอะสอนอาเพียงอรรมมาเดินไปเผานาไปอ่ความเศ้าซ่าทั้งนัความโกรธของธรรมะจิตธรรมะก็ลงพรากไปเลย ลงไปปุ๊บเข้าไปจู่ตรงเย็นๆนี่นะโยมของํารมะเย็นเหมือนน้ำแขงเลยด้เย็นจนหนาวเลยเด้จริงๆเปนแรกๆนะจนงหนาวเลยอ่ะโอ้เย็นอะไรไม่รู้เย็นเดินเบาลิบเลยอ่ะมาธรรมะไม่ได้กินน้ำเย็นอ่ะแต่มันลงมืนน้ำเย็นน่ตั้งแต่นั้นธรรมะก็ลืมหมดเลยลืมความร้อนหมดเลยห้ือแต่ความเย็นความร้อนไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันเย็นมากเลยไม่ได้คิถึงความร้อน เราเมื่คิดถึงความเย็นใจเราก็เลยอยู่ตรงความเย็นก็จะแน่แต่เราคิดถึงความร้อนน่ะมันก็ใจเราก็อยู่ที่ร้อนดะงนั้นเราก็ดูที่จิตตรงนี้แหละโยมครับพยายามดูเรื่อยๆไป ม, มีเวลาก็ดูไปน่ะไปกินกาแฟกับสมาธิบ้างะไปกินเลี่ยงกับสมาธิบ้างไปเตรียมเตรียมไปทานข้าวบ้างทานไปเรื่อยๆเขา ก, กินอยู่แล้วโยมกินปุ๊บตัาก็อยู่เลยปั๊บเย่ย เนี่ยข้าเรอยู่เข้าของเราเนี่อเข้าสมาธิตั้งแต่เช้ากลคืนนี้ก็ยังเข้าสมาธิอยู่ดิพรุ่งนี้ถึงก็จะออกก็จะนะไหนตอนภาวนาบ่ไปสมุกคิดได้ยังไงไม่ดูอะไรหยุดเลยดังนั้นวันนี้อสมาก็มีอะไรมากก็เพียงแต่เติมจิตเติมใจโยมอ่ะเรียกเติการเติมจิตโยมทั้งเข้าใจเติมจิตคือส ต, ติเข้าไปสู่สมาธิงานจะตื่นนั่นคือจิตเรา เขาไปสู่สมาธิก็สงบก็เรียกว่าเตมให้เกิดสมาธิน่ะไปเติมจิตนี่ะแต่จริงๆก็คือเข้าสมาธินั่นเองโนยมอันเดียวกันฮนะถ้าอเราไปอยู่ตรงไหนสเราก็เติมสติอะไรเข้มแข็งอ่าให้อยู่เข้มแข็งไปเรื่อย ๆ, ๆไปแต่เราก็อยู่แค่นั้นแหละมไม่ต้องไปเรืไล่ล่าไปต้องไปพิจารณากายเพื่ออจุพะกรรมฐ า, านอันนีจ้จังเลยไม่ต้องโม้แต่โยมีเวลาเขาไปเถอะอาตมาไม่มีเวลาหรอ แต่เก่งมีฉลาดก็เอาไปเถอะแต่มาพิจรารณากายมันมีที่ไหนอ่ะดูน้ำเย็นๆมันมีกายไหมอ่ะไม่มีกา ย, กา ย, กายแกนก์ายไม่มีอสุภาาะกรรมฐานก็มีอริจังก็ไม่มีอริยังกับกรรมฐาไม่มีไม่มีอะไรเพราะตรงนั้นมบ้าหมดมันไม่มีอริยังกับกรรมฐานอัมภ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในสังขารหมดนะมันอยู่ในสังขารม่จิตไม่มีนะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีก็ดูเอามีไหมี่ยเราต้องทําที่ตัวเองนะ ไม่มีจะไปเคียบพระนะถ้าบอกไม่มีโยมก็ทำดูที่ไม่ไง้าโยมไม่มีก็เออไม่กลาอมไปด้วยกันถ้าเกิดโยมมีโยมไม่อยอาเพิ่งไปไม่อยอเพึ่งไปนะนั้นปรรกธรรมะก็สมควรเจริเวลาแค่นี้แหละเจริญตอนสนะาธุครับ เจ้าก็ขอาการหลวงพ่อท่านใดที่ร่มทำบุญนะครับปิดหินปูนทรายปูนที่หลวงพ่อบอกว่าจะทำดีนะครับก็สามารถร่มทำบุญได้นะครับหลก็โอนมาได้เพราะเนไม่เอามาอยู่แล้วแต่ยืนในโทรศัพท์ใช่มเงินทุกวันก็ยืนในโทรศัพท์เด้ทำบุญก็โอนปักๆของตมานียโยนนะเชื่อไหมตมานี่ยย้ า, ายไปถึงห้องนู้นนะทะลุออกมาถึงห้องนู้นนะ นั่นผนังนุ่นนะห้าบาทห้าบาทห้าบาท น, นานๆจะได้ร้อยหนึ่งเนะ1ิบบาทห้าบาท1ิ บ, บาทห้าบาทเดี๋ยวต่าจะมาเอาออกให้โยมดูนะ่ะโอหและึงบาทนะหนึงบาทก็มีเลยพอก็ก็ยังดีโยมออามา